2. รูปประกันอุเทศ 583. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากิตเป็นฉไนะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและไม่นับเนื่องในวัตทุก์ได้แก่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน สภาวธรรมเหล่าใดเป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตเอกมาติกาห้า้แปิบสบรรดาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเหล่านั้นรูปทั้งหมดเป็นฉนะ มหาภูตรูปสและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสนี้เรียกว่ารูปทั้งหมดรูปทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่มีเหตุวิปยุตจากเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นรูปเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของโภคะ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 ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่สหรสคตด้วยปีติไม่สหรสคตด้วยสุขไม่สหรสคตด้วยอุเบกขาไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานไม่เป็นของเสกขบุคคลและอเสกขบุคคลเป็นปริตตะเป็นกามาวจร ไม่เป็นรูปราวจรไม่เป็นอรูปราวจรนับเนื่องในวัตทุกข์ไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นของไม่แน่นอนไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอันมิญญาหกรู้ได้เป็นของไม่เที่ยงถูกชราครอบงำรวมรูปหมวดละหนึ่งอย่างนี้เอกมาติกาจบทุกะมาติการวมรูปหมวดละสอง ปกิณกะทุกกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี รูปที่กรรมอันประกอบด pues ้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่กระทบได้ก็มี IR รูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่เป็นอินทรีย์ก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์ก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปก็มี รูปที่เป็นวินยติรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นวินยติรูปก็มีรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีรูปที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีรูปที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นไปตามจิตก็มีรูปที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีรูปที่เป็นภายในก็มีรูปที่เป็นภายนอกก็มี รูปที่ยาก็มีรูปที่ละเอียดก็มีรูปไกลก็มีรูปใกล้ก็มีปกิณกะทุกะจบวัตถุทุกะรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญ ญ, ญาณก็มี รูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคานสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีรูปเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณก็มีรูปไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มี วัตถุทุกกะจบอารมมณทุกกะรูปที่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานาสัมผัส ของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสก็มีรูปที่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณก็มีรูปที่ไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณก็มีอารัมณทุกกะจบอายตนะทุกกะรูปที่เป็นจักขายตนะก็มี รูปที่ไม่เป็นจักขายตนะก็มีรูปที่เป็นโสตายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นโสตายตนะก็มีรูปที่เป็นคานายตนะรูปที่เป็นชิวหายตนะรูปที่เป็นกายายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นกายายตนะก็มีรูปที่เป็นบรูปายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นรูปายตนะก็มีรูปที่เป็นศรัทธายตนะ รูปที่เป็นคันทายตนะรูปที่เป็นประสายตนะรูปที่เป็นโพัพายตนะก็มีรูปที่ไม่เป็นโพธพายตนะก็มีอายตนะทุกกะจบทาตุทุกกะรูปที่เป็นจักขุธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นจักขุธาตุก็มีรูปที่เป็นโสตธาตุก็มีรูปที่เป็นคานทธาตุรูปที่เป็นชิวหาธาตุ รูปที่เป็นกายธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นกายธาตุก็มีรูปที่เป็นรูปประธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นรูปประธาตุก็มีรูปที่เป็นสัตธธาตุก็มีรูปที่เป็นคันธาตุรูปที่เป็นรัศธาตุรูปที่เป็นโพทพธาตุก็มีรูปที่ไม่เป็นโพธพธาตุก็มีทาตุทุกกะจบอินทริยะทุกกะรูปที่เป็นจัก ขุนศก็มีรูปที่ไม่เป็นจากขุนศีก็มีรูปที่เป็นโสตินศีก็มีรูปที่เป็นคานินศีรูปที่เป <uh ็นชิวหินศีรูปที่เป็นกายินศีก็มีรูปที่ไม่เป็นกายินศีก็มีรูปที่เป็นอิดถินศีก็มีรูปที่ไม่เป็นอิดถินศีก็มีรูปที่เป็นปุริสินศีก็มีรูปที่ไม่เป็นปุริสินศีก็มีรูปที่เป็นชีวิตินศีก็มี รูปที่ไม่เป็นชีวิตินทรีสีก็มีอินทรียะทุกกะจบสุขุมะรูปะทุกกะรูปที่เป็นกายวินยัตก็มีรูปที่ไม่เป็นกายวินญัตก็มีรูปท <UU> right ี่เป็นวัจีวินญัตก็มีรูปที่ไม่เป็นวัจจีวินญัตก็มีรูปที่เป็นอากาศสธาตก็มีรูปที่ไม่เป็นอากาศสธาตก็มี รูปที่เป็นอาโปธาต์ก็มีรูปที่ไม่เป็นอาโปธาต์ก็มีรูปที่เป็นละหุตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นละหุตารูปก็มีรูปที่เป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่เป็นกรรมัญญตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นกรรมัญญตารูปก็มีรูปที่เป็นอุปัจจยรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปัจจยารูปก็มี รูปที่เป็นสันตติรูปก็มีรูปที่ไม่เป็นสันตติรูปก็มีรูปที่เป็นชรตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นชรตารูปก็มีรูปที่เป็นอนิจจตารูปก็มีรูปที่ไม่เป็นอนิจจตารูปก็มีรูปที่เป็นกัวลิงการาหานก็มีรูปที่ไม่เป็นกัวลิงการาหานก็มีสุขุมรูปทุกกะจบ รวมรูปหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะมาติกาจบติกะมาติการวมรูปหมวดละสามปกินณกะติกะอัจชริติกะอุปาทาติกะห้าร้อยแปดสิบห้ารูปที่เป็นภายในเป็นอุปาทายรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปาทายรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี อจัตติกะอุปาทินะติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอัจัตติกะอุปาทินุปาธานิยติกะรูปที่เป็นภายใน เป็นรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอจฉิติกะอณิทัศนติกะ รูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่เห็นไม่ได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอัจฉติกะสัพปติคะติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปที่กระทบได้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มี อัจฉติกะอินทริยติกะรูปที่เป็นภายในเป็นอินทรียรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอินทรียรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอินทรียรูปก็มีอัจฉติกะมหาภูตติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมหาภูตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมหาภูตรูปก็มี อัจฉติกะนวิญญัติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นวิญยติรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นวิญญัติรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวิญญัติรูปก็มีอัจฉติกะนจิตตสมุทฐานติกะรูปที่เป็นภายในไม่มีจิตเป็นสมุทฐานรูปที่เป็นภายนอกมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่มีจิตเป็นสมุทฐาน ก็มีอัจฉติกะนะจิตตะสหภูติกะรูปที่เป็นภายในไม่เกิดพร้อมกับจิตรูปที่เป็นภายนอกที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอัจฉติกะนะจิตตานุปริวัติติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นไปตามจิตรูปที่เป็นภายนอกเป็นไปตามจิตก็มี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นไปตามจิตก็มีอัจฉติกะโอราิกติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปหยาบรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปละเอียดก็มีอัจฉริกะสันติเกติกะรูปที่เป็นภายในเป็นรูปใกล้รูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปไกลก็มี ปกินณกติกะจบวัตถุติกะพาหิระจักขุสัมผัสศัสนะวัตถุติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุสัมผัสก็มีพาหิระจักขุสัมผัสสชาเวทนายะวัตติกะ รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่จากขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณก็มีพาหิระโสตสัมผัสศัสนวัตถุติกาธิติกะ รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของโสตสัมผัสของคารณะสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผั timer, สก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายสัมผัสก็มีภาหิระกายสัมผั <mış S 2> สสะชาเวทนายณวัตถุติกาธิติกา รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณรูปที่เป็นภายในเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณก็มีวัตถุติกะจบอารามณติกะอัจฉรติกะจักขุสัมผัสสัสนารามณติกะรูปที่เป็นภายใน ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุสัมผัสก็มีอัจฉริติกะจักขุสัมผัสสชาเวทนายนารมณติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสของสัญญาของเจตนาของจักขุวิญญาณ รูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณก็มีอัจฉติกะโสตะสัมผัสศัสนารมณติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของโสตสัมผัสของคานาสัมผัสของชิวหาสัมผัสของกายสัมผัสรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายสัมผัสก็มี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายสัมผัสก็มีอจฉติกากายสัมผัสสชาเวทนายนารามณติกาทิติการูปที่เป็นภายในไม่เป็นอารมณ์ของเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสของสัญญาของเจตนาของกายวิญญาณรูปที่เป็นภายนอกเป็นอารมณ์ของกายวิญญาณก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอารมณ์ของกายวิญญาณก็มี อารามณติกะจบอายตนาติกะพาหิรณะจักขายตนาติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขายตนะรูปที่เป็นภายในเป็นจักขายตนะก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขายตนะก็มีพาหิระนโสตายตนาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นคานายตนะ ไม่เป็นชิวหายตนะไม่เป็นกายายตนะรูปที่เป็นภายในเป็นกายายตนะก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายายตนะก็มีอัจติกะนรูปายตนะติกะรู ป, ป Tube. ที่เป็นภายในไม่เป็นรูปายตนะรูปที่เป็นภายนอกเป็นมรูปายตนะก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมรูปายตนะก็มี อัจฉริกะนัสทายตนะติกาทิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นคันทายตนะไม่เป็นบรัษายตนะไม่เป็นโพธพายตนะรูปที่เป็นภายนอกเป็นโพธพายตนะก็มีรูปที่เป <Tok worker, S 2> ็นภายนอกไม่เป็นโพธพายตนะก็มีอายตนะติกะจบทาตุต <1 incorrect S 2> ิกะ ภาหิรณะจักขุธาตุติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุธาตุรูปที่เป็นภายในเป็นจักขุธาตุก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุธาตุก็มีพาหิรณะโสตธาตุติกาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตธาตุไม่เป็นคานาธาไม่เป็นชิวหาธาตุไม่เป็นกายทธาตุ รูปที่เป็นภายในเป็นกายธาตุก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายธาตุก็มีอัจฉติกะนรูปะทาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นรูปธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นรูปธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นรูปธาตุก็มีอัจฉติกะณสัทธะทาตุติกาธิติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสัทธะ ไม่เป็นคันทาธาตุไม่เป็นรถสธาตุไม่เป็นโพัพธาตุรูปที่เป็นภายนอกเป็นโพธพธาตุก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโพธพธาตุก็มีทาตุติกะจบอินทริยติกะพาหิรณ ะ, ะจักขุณทริยติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นจักขุนสี รูปที่เป็นภายในเป็นจักขุนสีก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นจักขุนสีก็มีพาหิรณะโสตินทริยะติกาทิติกะรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นโสตินรีไม่เป็นคานินรียไม่เป็นชิวหินรีไม่เป็นกายินรีรูปที่เป็นภายในเป็นกายินรีก็มีรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายินรีก็มี อจัตติกะนอิตถินทริยติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอิตถินรียรูปที่เป็นภายนอกเป็นอิตถินรียก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอิตถินรียก็มีอัจัตติกะนชีวิตินทริยติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชีวิตินรียรูปที่เป็นภายนอกเป็นชีวิตินรียก็มี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชีวิตินทรียีก็มีอินทริยติกะจบสุกุมารูปติกะอัจฉริติกะนกายวินยตติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกายวินยัติรูปที่เป็นภายนอกเป็นกายวินยัติก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกายวินยัติก็มีอัจฉรติกะนวจีวินยตติติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นวจีวิญยัตรูปที่เป็นภายนอกเป็นวจีวิญญัตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นวจีวิญัตก็มีอัจฉติกะณะอากาสธาตุติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอากาสธารูปที่เป็นภายนอกเป็นอากาสธาตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอากาสธาตก็มีอัจฉติกะณะอาโปทาตุติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอาโปทาตรูปที่เป็นภายนอกเป็นอาโปทาตก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอาโปทาตก็มีอัจัติกะนรูปัสระหุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นละหุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นละหุตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นละหุตารูปก็มี อัจฉติกะนรูปตะมุทุตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นมุทุตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นมุทุตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นมุทุตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัตสกรมัญญตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกรมัญญาตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นกรมัญญาตารูปก็มี รูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นกรรมัญญตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสะอุปจเยติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นอุปปจเยรูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอุปปจเยรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอุปปจเยรูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสสันตติติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นสันตติรูป รูปที่เป็นภายนอกเป็นสันตติรูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม abi, aded, racket, Alumni, Dew, Rainbow, ่เป็นสันตติร <oke> ูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสชรตาติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นชรตารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นชรตารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นชรตารูปก็มีอัจฉติกะนรูปัสอนิจจตาติกะ รูปที่เป็นภายในไม่เป็นอนิจจารูปรูปที่เป็นภายนอกเป็นอนิจจารูปก็มีรูปที่เป็นภายนอกไม่เป็นอนิจจารูปก็มีอจติกะนกะวะลิงการาหารติกะรูปที่เป็นภายในไม่เป็นกวะลิงการาหารรูปที่เป็นภายนอกเป็นกวะลิงการาหารก็มีรูปที่เป็นภายนอก ไม่เป็นกัวะลิงการาหารก็มีสุขุมะรูปติกะจบรวมรูปหมวดละสามอย่างนี้ติกะมาติกาจบจะตุกะมาติการวมรูปหมวดละสอุปาทาอุปาทินะจะตุกะห้าร้รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิยึดถือก็มี รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีอุปาทาอุปาทินุปาธานิยตตุกกะรูปที่เป็นอุปาทายรูป เป็นรูปท <eight> ี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี รูปที่ไ <Jub> ม <ilee> ่เ <use> ป <ie to get through> <Bayern und> <blueberries> ็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอุปาทาสัพปติคะจะตุกะรูปที่เป็นอุปาทายารูปเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบได้ก็มี รูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทาโอลาริกะจตุกะรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปละเอียดก็มีอุปาทาทูเรจตุกะ รูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปใกล้ก็มีอุปาทินะสนิทัศนะจตุกกะรูปที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏ <Nous> ฐ <means valid points> ิยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้ก็มี รูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอุปาทินะสัพปติฆะจตุกกะรูปที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ เป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทินมหาภูตะจตุกะ รูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นมหาภูตรูปก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือไม่เป็นมหาภูตรูปก็มี อุปาทินโอลาริกจตุกะรูปที่การม i mean ันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปละเอียดก็มี อปาทินะทูเรจตุกะรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปไกลก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปไกลก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นรูปใกล้ก็มี อุปาทินุปาธานิยสนิทัศนจจะจตุ ก, กะรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่การมันประกอบ ด, ด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มี รูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปภาทานเป็นรูปที่เห็นได้ก็มีรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปภาทานเป็นรูปที่เห็นไม่ได้ก็มีอุปาทินุปาทานิยสัปติฆะจตุกกะ รูปที่การมันประกอ er บด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปท yeah. <number> claro ี่กระทบได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบได้ก็มี รูปที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นรูปที่กระทบไม่ได้ก็มีอุปาทินนุปาทานิยะมหาภูตจตุกะรูปที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นมหาภูตรูปก็มี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 รูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยรูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นอินทริยารูปก็มีสัพติฆะมหาภูตะจตุกะรูปที่กระทบได้เป็นมหาภูตารูปก็มีรูปที่กระทบได้ไม่เป็นมหาภูตารูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตารูปก็มีรูปที่กระทบไม่ได้เป็นมหาภูตารูปก็มี อินทริยโอลาริกะจตุกะรูปที่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปละเอียดก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปละเอียดก็มีอินทริยทูเรจตุกะรูปที่เป็นอินทริย์รูปเป็นรูปไก่ก็มี รูปท tamam. ี่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทริยรูปเป็นรูปใกลก็มีรูปที่ไม่เป็นอินทรียรูปเป็นรูปใกล้ก็มีมหาภูตโอลาริกกจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดก็มี รูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปหยาบก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปละเอียดก็มีมหาภูตทูเรจตุกะรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้ก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปไกลก็มีรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปเป็นรูปใกล้ก็มี ทิฏฐาที่จตุกะรูปเป็นรูปที่เห็นได้เป็นรูปที่สะดับได้เป็นรูปที่ทราบได้เป็นรูปที่รู้แจ้งได้รวมรูปหมวดละสี่อย่างนี้จตุกะมาติกาจบปัญจกะมาติการวมรูปหมวดละห้าห้าร้อยแปดสิบเจ็ดรูปที่เป็นปัทวีธาตุรูปที่เป็นอาโปธาต รูปที่เป็นเตโชธาตรูปที่เป็นวาโยธาตรูปที่เป็นอุปาทายรูปรวมรูปหมวดละห้าอย่างนี้ปัญจกะมาติกาจบฉักกะมาติการวมรูปหมวดละหกห8ารูปที่จักขวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้รูปที่คาณวิญญาณรู้ได้ รูปที่จิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณรู้ได้รวมรูปหมวดละหกอย่างนี้ฉักกะมาติกาจบสัตตกะมาติการวมรูปหมวดละเจ็ดห้ารูปที่จักขุวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้ รูปที่คานวิญญาณรู้ได้รูปที่จิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้รูปที่มโนธาตรู้ได้รูปที่เป็นมโนวิญญาณธาตรู้ได้รวมรูปหมวดละเจ็อย่างนี้สัตตกะมาติกาจบอัตกะมาติการวมรูปหมวดละแป ห้าร้อยเก้าส right no ิบรูปท voilà> like ี่จักวิญญาณรู้ได้รูปที่โสตวิญญาณรู้ได้รูปที่คาณะวิญญาณรู้ได้รูปที่ชิวหาวิญญาณรู้ได้รูปที่กายวิญญาณรู้ได้ที่มีสัมผัสเป็นสุขก็มีที่มีสัมผัสเป็นทุกข์ก็มีรูปที่มโนธาตรู้ได้รูปที่มโนวิญญาณธาตรู้ได้ รวมรูปหมวดละแปดอย่างนี้อัถกะมาติกาจบนวกะมาติการวมรูปหมวดละเก้าห้ารเก้าสบรูปที่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นโสตินสีรูปที่เป็นคานินสีรูปที่เป็นชิวหินสีรูปที่เป็นกายินสีรูปที่เป็นอิทถินสีรูปที่เป็นปุริสินสี รูปที่เป็นชีวิตินรีรูปที่ไม่เป็นอินรีรวมรูปหมวดละเก้าอย่างนี้นวกะมาติกาจบทศกัมาติการวมรูปหมดละสิบห้าร้อยก้าสิบสองรูปที่เป็นจักขุนสีรูปที่เป็นโสตินรีรูปที่เป็นคานินรีรูปที่เป็นชิวหินรี รูปที่เป็นกายินรีรูปที่เป็นอิทธินรีรูปที่เป็นปุริสินรีรูปที่เป็นชีวิตินรีรูปที่ไม่เป็นอินรีที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรวมรูปหมวดละสิบอย่างนี้ทศกะมาติกาจบเอกาทศกะมาติการรวมรูปหมวดละสิบ ห้าร้าสารูปที่เป็นจักขายะตนะรูปที่เป็นโสตายตนะรูปที่เป็นคานายตนะรูปที่เป็นชิวหายะตนะรูปที่เป็นกายายตนะรูปที่เป็นบรูปลายตนะรูปที่เป็นสัทธายตนะรูปที่เป็นคันทายตนะรูปที่เป็นรัษายตนะรูปที่เป็นโผพธพายตนะ รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับเนื่องในธรร ม, มายตนะรวมรูปหมวดละสิบเอ็ดอย่างนี้เอกาทส ก, กะมาติกาจบมาติกาจบ